ที่เกิดขึ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายให้สิ้นไปชี้ให้เห็นว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นต่างกันอย่างไรพุทธศาสนาไปได้ไกลกว่าศีลธรรมสากลของโลก ท, ทั่วไปอย่างไรเมื่อเข้าใจดังนี้แล้วเราจะได้สนใจพุทธศาสนาโดยเฉพาะ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 ความอยากนี่แหละเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์ใจจึงได้พากั น, ยก น, นอยากนั่นอยากนี่ร้อยแปดพันประการเพราะไม่รู้ว่าความอยากด้วยอวิชชานั้นคืออะไรอริยสัจข้อที่สามแสดงว่านิโรธหรือนิพพาน คือการดับความอยากเสียได้สิ้นเชิงเป็นความไม่มีทุกข์คนทั้งหลายยิ่งไม่รู้จักกันใหญ่ทั้งๆที่เป็นสิ่งที่อาจลุกถึงได้ในที่ทั่วๆวไปคือพบได้ตรงที่ความอยากมันดับลงไปนั่นเองนี่คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงไม่มีใครปรารถนาที่จะดับความอยากไม่ปรารถนานิพพานเพราะไม่รู้ว่า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 ซึ่งดับความอยากเสียได้ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งแก่ตนเองอะไรควรขวนขวายอย่างยิ่งจึงไม่สนใจกับเรื่องอริยมรรคของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐที่สุดในบรรดาวิชาความรู้ของมนุษย์เราในโลกนี้นี่แหละคือการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างน่าหวาเสียว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 ทีนี้ลองเอาหลักทางบาลีที่เรียกว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือคาถาของพระอัศสชิมาพิจารณากันเมื่อพระอัศสชิได้มาพบกับพระสารีบุตรก่อนได้บวชพระสารีบุตรได้ถามถึงใจความของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรโดยยอที่สุดพระอัศสชิได้ตอบว่า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 อีกทางหนึ่งนั้นอยากจะชี้ให้สังเกตดูถึงวัตถุประสงค์แห่งการออกพนวดของพระพุทธเจ้าว่าท่านออกพนวดโดยความประสงค์อันใดพระพุทธภาษิต ท, ที่ตรัสถึงข้อนี้มีอยู่อย่างชัดเจนว่าพระองค์ออกพนวดเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคาว่ากุศลของพระองค์ในที่นี้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 ที่ว่าเป็นอนิจจังก็คือสิ่งทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่มีอะไรเป็นตัวเองที่หยุดอยู่แม้ชั่วขณะที่ว่าเป็นทุกขังหมายถึงว่าสิ่งทั้งปวงมีลักษณะเป็นความทนทุกข์ทรมานอยู่ในตัวของตัวเองมีลักษณะดูแล้วน่าชังน่าเบื่อหน่ายน่าระอาอยู่ในตัวของมันเองทั้งนั้น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 ดังนี้แล้วหลักในพระบาลีก็มีอีกขวกหนึ่งเรียกว่าโอวาตปาติโมกแปลว่าคำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งหมดมีอยู่สามข้อสั้นๆคือไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้เต็มที่และทำจิตใจให้สะอาด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 คือเว้นจากการทำชั่วหมายถึงการละโมบโลภลาภด้วยกิเลสไม่ลงทุนด้วยการฝืนศีลธรรมขนบธรรมเนียมต่างๆเพื่อไปทำความชั่วอีกทางหนึ่งนั้นให้ทำแต่ความดีตามที่บัณฑิตสมมุติตกลงกันว่าเป็นคนดีแต่ทั้งสองข้อนี้เป็นเพียงขั้นศีลธรรม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 ก็ต้องมาจากความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดถ้ายังไม่รู้จะไปหลงรักหรือหลงชังอย่างใดอย่างหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะเรียกว่าเป็นอิสระแท้จริงได้อย่างไรคนเรามีความรู้สึกอยู่สองอย่างเท่านั้นคือความพอใจกับความไม่พอใจหรืออภิชาและโสมนัส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 ยังไม่ใช่การพ้นจากความทุกโดยสิ้นเชิงเพราะคนชั่วก็จะมีความทุกไปตามประษาคนชั่วคนดีก็จะต้องมีความทุกไปตามประษาของคนดีถึงเป็นมนุษย์ที่ดีก็มีความทุกอย่างมนุษย์ที่ดีจะดีอย่างเทวดาก็มีความทุกอย่างเทวดาแม้จะเป็นพรหมก็มีความทุกอย่างพรหม จะไม่มีความทุกข์เลยก็ต่อเมื่อขึ้นไปให้ผลสูงเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าความดีกลายเป็นโล ก, กุตระโลกของพระอริยเจ้าคือเป็นพระอริยเจ้าเสียเองถ้าขึ้นสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นพระอระหรัน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 ให้รู้ตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นเมื่อทวกความทุกข์อะไรเข้าแก่ตัวเองแล้วก็จะต้องศึกษาสิ่งนั้นให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นและกำลังเผาลนเราให้เล่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไรเป็นอย่างไรมาจากไหน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 คนที่ไม่เคยอ่านเคยฟังพระไตรปิฎกเลยแต่เคยพิจารณาอย่างละเอียดละอ่อทุกครั้งที่ความทุกเกิดขึ้นแผลดเผาจิตใจของตนนี่แหละเรียกว่าเขากำลังเรียนพระไตรปิฎกโดยตรงและอย่างถูกต้องดียิ่งกว่ากำลังเปิดเล่มพระไตรปิฎกออกอ่าน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 เราจะลุถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้หรือที่ชอบเรียกกันว่ามรคนิพพานได้ด้วยตนเองเพราะการที่เรามีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรโดยถูกต้องถึงที่สุดอย่างแท้จริงเท่านั้นอันความจริงตัวกูมิได้มี แต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้พอหายเผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีสหายเอย๋ยจงถอนสึ่งตัวกูและถอนทั้งตัวสูอย่างเต็มที่ มีกันแต่ปัญญาและปรานีหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้เอ่ย